หกอการนั่งสมาธิให้จิตนิ่งกับการบรรลุธรรมเป็นคนละเรื่องกันวงเล็บเปิดเกุมภาพันธ์สองพับในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดบางคนก็มีทิฏฐิมีความเห็นผิดทิฏฐิแปลว่าความเห็นผิดนะถ้าเรียกคําว่าทิฏฐิเฉยเฉยเป็นชื่อของกิเลสเป็นความเห็นผิดบางทีขยายให้ชัดว่ามิจฉาทิฏฐิถ้าความเห็นถูกก็มีชื่อเฉพาะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิบางคนมีทิฏฐิ มีความเห็นผิดว่านั่งสมาธิมากๆแล้วจะเกิดปัญญาบางคนก็เชื่อว่าต้องทำสมาธิก่อนถ้าทำสมาธิไม่ได้ก็ทำวิปัสสนามไม่ได้เชื่อตามๆกันมาอย่างนี้ไปไหนไปไหนใครๆก็เชื่ออย่างนี้ฟังแล้วดูดีฟังแล้วน่าเชื่อถือเพราะเราคุ้นเคยยังเราเห็นพระพุทธรูปหรือดูพุทธประวัติเนี่ยท่านต้องนั่งสมาธิก่อนพอท่านนั่งสมาธิไปสักพักหนึ่งและวมานมาผจญอะไรอย่างนี้ เพราะท่านชนะมาแล้วท่านก็กลับไปนั่งสมาธิใหม่เพราะพระปางตรัสรู้เราชอบวาดภาพหรือปั้นขึ้นมาเป็นพระนั่งสมาธิความจริงแล้วตอนที่ตรัสรูน้นี่จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนได้ทุกอิริยาบถดอกมันไม่เกี่ยวกับอิริยาบถ ท, ทางร่างกายเพียงแต่พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสรู้ตอนนั่งสาวกของท่านบางองค์ก็เข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ตอนยืนก็มีตอนเดินก็มีตอนนอนก็ยังมีเลย แต่ตามสถิติตอนนอนมีน้อยที่อัศจรรย์มากกว่าเพื่อนเลยคือตอนเองคือพระอานนนฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวเลยว่าอยู่ในอิริยาบถใดเพียงแต่ว่าเราคุ้นเคยกับพระนั่งเราก็เลยคิดว่าต้องนั่งสมาธิก่อนถึงจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อีกอย่างหนึ่งก็ไปดูหนังทีวีสีช่องเจ็ดสมัยโบราณดี๋วนี้มีหรือเปล่าไม่รู้ชอบมีหนังหรือสีชีพไพรจกัจกจกักวงวงตอนเช้าเช้าสิงหะไกลพบอะไรพวกนี้สมัยโบราณ ใหม่ๆเรื่องอะไรไม่รู้แล้วรู้แต่เรื่องโบราณบราณอย่างนั้นผู้วิเศษทั้งหลายนั่งหลับตาทั้งนั้นเลยเราก็วาดภาพเอาไว้มันต้องหลับตาไว้ก่อนลืมตายังไม่ค่อยจะเห็นเลยจะไปหลับตาให้เห็นทั้งๆ ท, ที่ลืมตาอยู่ยังฝันเลยจะไปนั่งหลับตาก็ฝันมากกว่าเก่าอีกนี่มิจฉาทิฐินะคือเราคิดเอาเองว่าต้องนั่งสมาธิมากๆแล้วจะบรรลุธรรมคนละเรื่องกันถ้านั่งสมาธิแล้วบรรลุธรรมนี่ ไม่จำเป็นต้องมีพระพุทธเจ้าเลยฤาษีชีไพรเขานั่งมาก่อนขณะเจ้าชายสิทธัตถะออกจากวังไปต้องไปเรียนกับฤาษีไปหัดเข้าวชาญข้าอากินจัญญายาตนะเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะเข้าถึงชาญที่เจดที่8จากอาจารย์สององค์เสร็จแล้วท่านยังบอกว่ามันไม่ใช่ทางถ้ามันใช่ทางท่านก็คงบรรลุไปแล้วแต่ท่านก็สรุปว่ามันไม่ใช่ทางฉะนั้น พวกเราเลิกความคิดความเห็นเสียทีว่าจะต้องนั่งให้นิ่งเสีก่อนถึงจะมาเจริญวิปัสนาคนละเรื่องกันเลยการนั่งสมาธินั้นบางคนจำเป็นบางคนไม่จำเป็นแต่การทำสมาธินั้นเป็นประโยชน์ดีกรีของเป็นประโยชน์กับดีกรีของจำเป็นน่ะไม่เท่ากันสมาธิเป็นประโยชน์กับทุกคนใครทำได้ก็ดีได้พักผ่อนจิตใจให้มีเรี่ยวมีแรงพอจิตใจมีเรี่ยวมีแรงแล้วมันอยู่ที่ว่า สามารถใช้จิตใจที่มีเรี่ยวมีแรงแล้วมาเจริญปัญญาเป็นหรือเปล่าสมาธิมันก็คล้ายๆเราไปเอ็กซ์ไซส์ในวงเล็บออกกำลังกายร่างกายเราแข็งแรงร่างกายแข็งแรงแล้วยังไม่รวยหรอกต้องทำ ม, มาหากินก่อนถึงจะรวยจิตใจสงบจิตใจแข็งแรงด้วยสมถะก็ยังไม่เกิดปัญญาหรอกต้องไปเจริญปัญญาแบบเดียวกันฉะนั้นร่างกายแข็งแรงนึกว่าจะรวยเหรอไม่มีทางหรอกคนละเรื่องกัน แต่ว่าร่างกายอ่อนแอมากไปทำมาหากินก็ไม่ไหวจิตใจไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงก็ไปทำการเจริญสติปัญญาที่เข้มแข็งขึ้นไปไม่ไหวเหมือนกันฉะนั้นสมาธิคล้ายๆการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทำให้จิตแข็งแรงทำให้จิตมีกำลังแล้วก็ต้องเอาจิตที่มีเรี่ยวแรงมีกำลังแล้วไปเจริญปัญญาเหมือนการฝึกร่างกายให้แข็งแรงแล้วเอาร่างกายที่แข็งแรงไปทำมาหากินจะได้ร่ารวยขึ้นมาแต่อย่านึกว่าทาสมาธิแล้วจะบรรลุ ไม่มีทางเลยหลวงพ่อทำมาตั้งแต่เจ็ดขวบเราถึงพูดเต็มปากเต็มคำเพราะเราทำมาเยอะ